เรื่องกลางคืนห้าเรื่อง1 3ึ่สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบสิ่งของตอนกลางวันได้ทําเครื่องหมายไว้ด้วยตั้งใจว่าจะลักตอนกลางคืนท่านสําคัญสิ่งของนั้นว่าเป็นสิ่งของนั้นจึงได้ลักของนั้นมาแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ